เราไม่ค่อยได้เล่าปฏิปทาประจำวันของพ่อแม่กูวาาจารย์มั่นให้หมู่เพื่อนฟังพูดก็พูดกลาเป็นระยะระยะไปเสียไม่ได้ค่อยได้พูด งานประจำวันของท่านตามปกติท่านชอบความสงัดอยู่ตลอดเวลานี่คือนิสัยของท่านไม่ชอบวุ่นวายกับแก่คนพระเนรดอยู่คนเดียวท่าน มันเป็นที่เหมาะสำหรับท่านจะรับพระเนรบ้างก็ตอนบ่ายเล็กๆน้อยๆหลังจากสงน้ำเสร็จแล้วก็พูดกันบ้างเล็กน้อยถ้าวันไหนมีการประชุมก็ประชุมเทศถ้าไม่มีการประชุม แล้ววันไหนท่านไม่รับแขกเลยท่านก็เข้าห้องเลยแล้วสวดมนต์สวดมนต์นี่นานกว่าจะจบจากนั้นท่านคนนั่งสมาธิภาวนาแล้วค่อยนอนมีหมายถึ ง, ถงวัยแก่ของท่านวัยที่ท่านแก่แล้วเท่าที่เราสืบทราบ แต่ก่อนนั้นท่านไม่มีเวลามเวลาในการประกอบความภาคเพียรท่านทำได้ทั้งทุกเวลาเพราะท่านไม่สนใจกับงานอื่นใดซึ่งนอกไปจากงานจิตตะภาวนาเท่านั้นยิ่งประยูนในป่าในเขาด้วยแล้วมีแต่งานอันเดียว คืองานกิจตะภาวนาเท่านั้นตอนนูนท่านขยันขันแข็งจริงๆเอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวอาถารมากรู้สึกจะหาใครเสมอเหมือนไม่ได้แล้วในสมัยปัจจุบันที่ท่านอยู่นั้นท่านเด็กมากเรื่องความเปลี่ยนก็เด่นมาก ทางด้านจิตใจก็พร้อมรู้ทั้งข้างในรู้ทั้งข้างนอกเรื่องราวอะไรอย่างนี้ท่านรู้ได้อย่างรวดเร็วมากทีเดียวตอนแก่มานี้พอออกจากที่แล้วตอนเช้างลงจากกุติแล้วก็เข้าทางจงกรม เดินจงกรมก่อนบินธรรมบากงนกรทั่ ง, าทางได้เวลาแล้วถึงจะออกจากทางจงกรมแล้วก็ขึ้นศาลาครองผ้าบรรดาพระเนในในวัดก็พอได้เวลาแล้วต่างองค์ต่างนำบริขานของตนมาตัดกวดเสื้อถูศาลา ซึ่งก็ไม่ใหญ่โตนักเพราะพระไม่ค่อยมากเสร็จแล้วต่างองค์ก็ลงระเดินจงกรมเหมือนกันกันกบท่านจนกระทั่งได้เวลาท่านขึ้นมาคลองผ้าพระเนรก็คลองผ้าก็เดินมินทบทัดตอนที่เราไปอยู่หมู่บ้านก็ไม่ห่างไกลนัก เพราะฉะนั้นการมีระ บ, บาจรจึงมีสายบ้างใช้สายค่อไปเพราะไม่ไกลนะัก <c oughs> บ้านโคกก็ดีบ้านนา ม, มนก็ดีน้องผือก็ดีแม้บ้านนาสีนวันก็เหมือนกันไม่ห่างไกลเพราะฉะนั้นใช้สายจึงไปบินทบาทก่อนไปท่านเดินจงกมแล้วก่อนนี้เป็นประจำของท่านเพราะหนึ่งว่าไม่ขาดเลย เรายังไม่เห็นว่าวันท่านขาดวันไหนกา ร, รเดินยงังกมตอนเช้าก่อนบินทบทัตรเพราะไม่มีงานใดไปยุ่งท่านพอกได้เวลาแล้วก็ออกบินทบัตรมีอะไรก็จัดฉันแต่อาหารการกบการฉันนั้นจะให้เหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่นี้ไม่เหมือน มีอะไรท่านไม่เป็นกังวลพอยังอัตภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเป็นที่เพียงพอแล้วกับท่านและพระเนรทั้งหลายใครๆจริงไม่เป็นอารมณ์กับเรื่องอาหารการบขบกันมีอะไรก็ตามบ้านป่าบ้านลกเขาให้มาใส่บาตรมาส่วนมากเขาใส่บาตรมาพร้อมไม่ได้ตามมาสม มีบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอฉันเสร็จแล้วล้างบาตรล้างอะไรแล้วนำบริการไปดังที่เราปฏิบัติอยู่นี้โกงท่านเองเขาไปกุติกิพักเพราะตอนหลังนี้ท่านแก่แล้วท่านไม่ค่อยดื่มเงินกมหลังจังหันแล้วมันนานจะมีทีหนึง่งแต่ตอนบ่ายมักจะมีอยู่เสมอ ตอนเย็นนี้มีเป็นประจำพอห้าโมงเยน็นหรือห้าโมงกว่าแล้วท่านก็ลงเดินจังกรมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพราะเราตั้งข้อสังเกตอยู่ตลอดเวลาสำหรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วเหมือนกับว่าไม่รับสายตาไปเลยที่คอยจดคอยจ้องสังเกตอยู่นั้น ท่านเดินจงกรมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแม้จะแต่แล้วก็ตามท่านถือเป็นกิจวัตรถือเป็นความสัตว์ความจริงเดิตอนเช้าก็ร่วมชั่วโมงเหมือนกันก่อนจะไปบินทบาทนี่เป็นกิจประจำวันสนําหรับพระเนรพอฉันเสร็จแล้วนําบริาณไปไว้ที่ไว้ฐานของตนแล้ว เข้าป่าเข้าทางยังกรมของใครอยู่ที่ไหนก็เข้าพระมีจำนวนมากๆกรหนึ่งว่าไม่มีพระในวัดเลยเงียบไปหมดนี่ก็เช่นเดียวกับร <c oughs> ังพุท ธ, ธาการที่ท่านบำเพ็ญเป็นอย่างนั้นในตำรับํารามีมากต่อมากอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจรึงนํามาพูดมาแสดงให้เพื่อนฝูงทั้งหลาย ได้เห็นได้ยินได้ฟังบางท่านอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้เห็นก็ได้ท่านนี้มีจำนวนมากมายเท่าไปรป็นหนึ่งว่าไม่มีพระในวัดเลยจนถึงเก่าเขากับเข้าใจผิดว่าพระเ น, นในวัดนี้ทะเลาะกันเงียบไปหมดทั้งวัดถ้ามาเจอพระก็เข่งขืนไม่เห็นพู้ฉันคุยกันเลยก็ทําให้เขาเข้าใจผิดไปว่าพระทะเลาะกัน เวลาสืบสอบถามเหตุผลเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรว่าพระท่านก็นชี้แจงให้ทราบว่าท่านไปทําความเพียรอยู่ในป่านูน้นป่าน้นตามสถานที่ของตนของตนที่เห็นว่าเหมาะสมนีม่แหละเรื่องประวัติในครั้งพุทธการมีอย่างนั้ น, น, นระับหลองพ่อแม่ครูจารมั่นของเราก็เป็นอย่างนั้น ท่านไม่ไม่ก็จะให้กิจการงานใดๆเข้ามายุ่งท่านไม่ตารบถึงเรื่องการเรื่องงานอะไรนอกจากด้านจิตตภาวนาโดยแา่เดียวเท่านั้นนี่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกิตเป็นใจเป็นนิสัยของท่านที่ฝังอย่างลึกเป็นพื้นฐานสําคัญของพระปฏิบัติจึงไม่ผิดอะไรกับครั้งพุทธการที่ท่านดําเนินตามตระหนักตํารามีอย่างนั้นเวลาประชุมก็ ดางที่ประชุมเนี่ยหลายวันประชุมทีแต่ถ้ามีแต่พระเนนอยู่ในนั้นไม่น่าประชุมท่านไม่ประชุมถ้ามีพระไปเที่ยวมาอย่างนั้นท่านมัจาจะประชุมพู้ธรรมะมีปฏิบัทาของท่านท่านหนักแน่นทางด้านปฏิบัติ มากไม่พูดถึงเรื่องการก่อนั่นสร้างนี้ทํานั้ น, นไม่พูดเลยพูดออกคําใดมีแต่เรื่องความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจจะพูดธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นจะพูดจริงพูดจังก็เป็นไปตามความเพียรทางด้านจิตใจเสียทั้งนั้นนี่เป็นนิสัยของท่าน แล้วความอยากให้พระที่ปมาอยู่อาศัยท่านไม่รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายนี้ก็รู้สึกว่าเด่นมากทีเดียวองค์ใดที่ภาวนามีความเป็นไปอย่างไรแล้วท่านจะติดตามเสมอถ้ามายินมาพูดให้ท่านฟังท่านจะถามเป็นยังไงภาวนานะไปถึงไหนแล้วนะั่นเรียกว่าท่านติดตาม องนั้นก็กาบเยนขึ้นตามเรื่องของคนแล้วก็ท่านก็ชี้แจงจแสดงให้ฟังนีเป็นนิสัยของท่านซึ่งไม่ผิดอาไกับข้างพุทธการเลยในตำหลับตําลาที่ท่านแสดงไว้เรื่องราวของข้างพุทธการกับที่ท่านพาดําเนินนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยเหมือนกันเราจะเรียกว่าทุกข์กระเบียกก็ไม่ผิด มีแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาทั้งนั้นนี่เราพูดงานประจำวันของท่านเป็นมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ท่านออกปฏิบัติท่านมายุงย่งหยู่อย่างบุญบาปกับการก่อการสร้างท่านเคยเล่าให้ฟังเสมอมีแต่หมุนทางด้านจิตตภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วงานของท่านในเวลาเป็นหนุ่ม งานความภากเพื่อนนี้เด็กเดียวอาจหารมากก็สมกับท่านเป็นผู้ฉลาดหลายอุบายหลายสันหลายคมทสำหรักที่จะแก้ที่เลยอหรือมีวิธีการต่างๆที่จะนํามาใช้ด้วยความคิดความขุดค้นของท่านเองนั่นแหละท่านำนามาใช้นี่เล่าเรื่องปฏิบัติทาของท่านเพื่อนย่อให้เพื่อนฟัง หลายฟังการที่ท่านเดินยืนกรมนั่งสม า, สมาธิภาวนาก็เพื่อความสะดวกสบายของท่านระหว่างขันธ์กับจิตเพราะเรื่องของจิเลกนั้นเราไม่มีปัญหาอะไรกับท่านแล้วเพราะทราบมานานแล้วว่าท่านผ่านไปตั้งงเมื่อไหร่การทําอย่างนั้นเป็นตามอัธยาศัยของใจที่ไม่ได้เกาะเกี่ยวกับเรื่องอะไร ถ้าอยู่ก็อยู่ได้อัดได้ทำแต่ไม่ติดทำเป็นอัคยาสัยที่ลื้นลื่นถ้าจะพูดว่าลื่นลื่็ลื่นลื่นในธรรมทั้ายด้วยความภาคเพี้ท่านจึงเรียกว่าทิฏฐธรรมธรรมที่บำเพ็ญหรืที่เครื่องอยู่สบายในในปัจจุบันทิฏฐธรรมวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ ของพระอรหันต์ท่านท่านอยู่อย่างนั้นท่านอยู่กับความภาคความเพียรเพราะฉะนั้นเวลาเดินจงกรมท่านจึิงจริง น, น, นั่งสมาธิภาวนาท่านจึิงจริงแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทรงละทรงดำเนินตามพระอัจฉริย์อยูอย่างนั้นจนกระทั่งปรินิพานพระสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันการประกอบความภาคเพียรดีไม่ดีเราสู้ท่านไม่ได้ เรื่องการเดินจงกรมนอ่สมาธิภาวานาทั้งที่ท่านไม่ได้ทำเพื่อแก้เพื่อตัดถอนที่เลื อ, อันใดแต่หากเป็นความพอเหมาะพอดีระหว่างขันกับกิจที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในเวลานั้นนอกจากนั้นยังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงต่อขันอีกด้วยเพื่อให้สดชื่นเพราะอํานาจแห่งจิตใจได้พักทั้งถาดทั้งขัน ด้วยก็เป็นความเหมาะสมกันสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เป็นในจิตจะนําออกมาพูดก็ไม่ได้ถูกทุกท้อยทุกคํำผิดผิดถูกถู ก, ก, ก, กแต่ถ้ารู้ถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องถามใครหากรู้ในเจ้าตัวเองว่าทําไมท่านจริงเดินจงกร ม, มทําไมตั้งสมัคั้งสมาธิภาวนาบรรดาพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสแล้วท่านทำํำไปเพือ่ออะไรเนี่ยส่วนหน้าก็ ความเพียรนี่เพื่อแก้กิเลสนะความเพียรเพื่อที่จะทำดิหารธรรมท่านก็บอกไว้กันอย่างหนึ่งแต่ส่วนมากคนไม่ค่อยคิดไปคิดเเสียเรื่องการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสด้วยความเพียรนั่นเชียเมื่อสิ้นกิเลสแล้วประกอบความเพียรไปทําไมก็เป็นความคิดเห็นไปอย่างนั้นสงสัยไปเชียวความจริงเพื่อความอยู่สบายภาษาของเรา ในระหว่างขันกับจิตที่ครองกันอยู่ให้ได้อยู่สะดวกสบายถ้าไม่ควรให้มีอะไรรบกวนก็ให้อยู่สะดวกสบายพอเหมาะพอดีกับธาตุกับขันแล้วก็ทรงอายุไขไปได้นานตามการอันควรไม่หดไม่ย่นเข้ามาไม่หักไม่แตกไม่ทําลายเสียนในระหว่างกลางมีกลางอายุไขถ้าใช้แบบสมบุกสมบันใช้ไม่หยุดไม่ถอย การเทศนาว่าการการเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมหรือใครต่อใครเหล่านี้เป็นภาระเป็นงานทั้งนั้นก็ทำให้อนุขายนั้นย่นเข้ามาเพราะเลยความพอดีความพอดีอย่างแท้จริงของท่านผู้ชิ้นพิเือนแล้วและมีขันที่แต่ชลาลงไปแล้วค้ามอยู่เพียงคนเดียวตามอัิยสัยของท่านนั่นแหละ เป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดทรงทาทรงขันไปด้วยความพอเหมาะพอดีส่วนหนุ่ม อ, อยู่ก็เป็น อ, อย่างหนึ่งเพราะผู้ที่มีจิตถึงขนาดนั้นแล้วกับความเมตตาย่อมแยกกันไม่ออกแต่แม้เวลาประกอบความภาคเกลียนก็หนึ่งว่าไม่มองดูโลกดูท้องสามไม่มองดูอะไรเลยเหมือนกับในโลกนี้มีแต่เรากับยิเหเละต่อสู้หรือฟัด ก, กันอยู่เท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านจากนั้นไปแล้วเพราะอํานาจแห่งความเมตตาอํานาจแห่งความเมตตานั้นออกมาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเป็นเครื่องเรียกร้องก็กกถูกหรือเป็นแม่เหล็กจะดึงดูดความเมตตาให้มีต่อสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาก็ได้นั่นแหะเป็นเหตุที่จะให้ท่านแนะนําสั่งสอน ตัวนี้ก่อนเป็นไปตามมิสัยวาสนาของท่านผู้ใดที่อยาควรแนะนําสั่งสอนได้กว้างแคบเพียงไรก็ตามมาแต่อาศัยของท่านเพราะจิตคันนั้นแล้วย่อมไม่มีผาดมีผลโดยหาเหตุหาผลไม่ได้เป็นไปตามความเหมาะสมพอดิบพอดีจะเข้นจะคนจะผาด จ, จะผลจะเพ็ดจะร้อนก็เป็นไปตามเหตุตามผลที่พอเหมาะพอดีในเวลานั้นเท่านั้น พอจกผ่านหรือว่าผ่านนั้นไปแล้วก็เหมือนกับไม่มีเพราะท่านไม่มีอารมณ์ที่จะไปยึดไปเกาะว่าไปพูดหนักไปเบาไปหรื อ, อยาวไปสั้นไปอะไรทําน่างนั้นท่านไม่มีเพราะในระยะที่ท่านเทศนาว่าการนั้นความถ้าว่าเป็นตุงอาหารก็ท่านกับปรุงไปพร้อมๆกันเป็นความพอดีไปในระยะนั้นระยะนั้นไปพร้อมๆเล ไม่มีอะไรว่าเกินไปเกินไปพอจบแล้วจึงหมดปัญหาไปทันทีกันไดเนี่ยท่านผู้มีจิตขั้นถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วย่อมมีเมตตามากอันนี้ยังขึ้นอยู่กับนิสัยอีกท่านผู้ใดจะมีนิสัยอัจฉิยาสัยกว้างขวางมีบุญญาตสดาในภาพมากเท่าไหร่ก็กระจายออกไปซึ่งเมีเนความเมตตาเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ให้กระจายออกไปท่าน ผู้ที่ไม่เป็นอย่างนั้นท่านก็มีแต่มีวงกว้างวงแคบต่างกันสำหรับความบริสุทธินั้นเหมือนกันนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองสุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งว่าย่อนกว่ากันเลยทั่างที่เคยพูดว่าตามใใวิสัยวาสนาหรือพุทธวิสัยสาวกวิสัยนี้หมายถึงเครื่องประดับอำนาจวาสนาบุญญาพิสมผ่านท่านมีกว้างมีแคบมีลึกตื้นยามและเหยียดต่างกัน ไม่ได้หมายถึงความบริสุทธิ์ส่วนความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเมื่อท่านองค์ใดก็าตามหรือรายใดผู้ใดก็าตามได้บรรลุธรรมถึงขั้นบริสุทธิ์นั้นแล้วจึงเป็นเครื่องยืนยันได้เลยในบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนั้นไม่มีข้อแยง้ง ไ, ไม่มีข้อสงสัยเช่วนว่าพระพุเทธเจ้ามีหมอย่างนี้ ก็ธรรมชาติที่รู้อยู่นี้เป็นเครื่องยืนยันประการสําคัญก็คือเป็นที่แน่อยู่ในนั่นแล้วน่งถ้าจะขยายไปก็ทเาเราที่รู้เหล่านี้ใครเป็นคนสอนเนี่ยข้าจะกระจายแต่ท่านไม่กระจายเพราะอ น, นั้นเป็นเหมือนกับเงาไปไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงแท้ก็คือความบสุดขงท่าน ที่รับที่ทราบที่ทรงอยู่เวลานั้นเป็นเครื่องยืนยันกับความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกองใดๆก็ตามเป็นอันเดียวกันเหมือนกันเลยนี่ท่านท่านจึงว่ามัตติเซโยวปาปิโยคือบรรดาท่านพูดถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเหมือนกันหมดไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากัน ส่วพุทธวิสัยสาวกวิสัยนั้นหมายถึงปุญญาพิสุพานที่มีมากน้อยต่างกันความรู้แปลกๆต่างๆจึงมีลึกตื้นหยากละเอียดต่างกันนั่นหมายถึงอย่างนั้นเราจะพิจารณาถึงเรื่องพุทธการตามลำดักตำนานแล้วท่านสอนพระนี้มีแต่สอนเรื่องการบำเพ็ญจิตตะภาวนา ทั้งนั้นเลยไม่ว่าแทบทั้งนั้นน่ะเห็นในตำหลักตาราที่ไหนก็มีแต่แาบนั้นสอนนี่เข้าอยู่ในป่านนเขาพูดปาราลบเรื่องอะไรก็มีแต่เรื่องความเพียรเป็นพื้นฐานพื้นฐานไปอยู่ตลอดนั่นล่ะท่านทำไมท่านถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทรงเห็นภัยเต็มประไพรในสิ่งที่เป็นภพยคือกิเลสทั้งหลาย พระองค์เคยจมกับขิ่งเหล่านี้มานานแสนนานถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมดาสามัญเราเป็นสัตว์ธรรมดาสามัญเราแล้วตัว้งแต่สมัยที่ท่านเป็นคนสามัญธรรมดาไม่ยังไม่มีหลักมีเกณฑ์แล้วทําไมพระพุทธเจ้าแต่และพระ อ, องค์พระ อ, องค์นั้นน่ะจะไม่ตกนรกเพราะเป็นเหมือนสัตว์ทั้งหลายทั่วไปย่อมทําได้ทั้งบาป ท, ทั้งบุญทั้งหนักทั้งเบา ว่า เ, เป็นฉะนั้นไม่มียาลก็าตามก็ยังทราบได้ตามหลักความจริงแห่งเกศที่จะพาให้สร้างกรรมนั่นแหละอนุวิเลศสวัสดวัตตก็คือกิเลสเองกิเลสเป็นพาพาเครื่องพาวนตาหมุนเวียนกรรมวัดกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมเนี่ยเมื่อทํากรรมแล้วก็วิปากกรวัต ก็ได้รับผลของกรรมที่ท่านเรียกว่าวัดตะวนสามในปริยัติว่าอย่างนั้นแล้วกระหมุนกันอยู่เช่นนี้แล้วทำไมในเมื่อท่านยังอยู่ในภูมิสามัญธรรมดาทั่วๆไปเหมือนสัตว์เหมือนบุคคลทั้งหลายท่านจะไม่ทำบาปทำกรรมละ่ะท่านก็ต้องทำเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วๆไปเมื่อทาแล้วกรรมไม่ลาเอียงย่อมจะ เป็นบาปเป็นบุญได้เส้นเดียวกันหมดเพราะเป็นพราะี่งนั้นจึงต้องตกนรกก็ได้แต่สวรรค์ก็ได้เป็นเปรดเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะการเกิดตายนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นนับได้แล้วและไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงอันนี้มากจริงๆจะอะไรมาเทียบก็ไม่ได้อะไรมาวัดมาตวงก็ไม่ได้ว่าอะไรมากกว่าอะไรธรรมชาตินี้มาก คือเกิดตาดเกิดตาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีการสถานที่เวลาเวลามีแต่กรรมที่จะพาให้หมุนไปสูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นอนและมีเชื่อคือวิชาบังคับให้เกิดนี้เท่านั้นต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติอันนี้กฎแรกก็คืออวิชาพาให้สัตว์เกิดนี่หนึ่งไม่มีสองคือวิชาเป็นเชื่อที่พาให้สัตว์เกิดอันดับที่สองก็คือ คือกรรมผลของกรรมเรียกวิาปากวิปากกวัด เ, เมื่อเกิดแล้วก็ต้องทํากรรมเพราะกิเลสเป็นเหตุให้ทํากรรมบางครั้งไม่ทำ เ, เมื่อทําแล้วย่อมจะมีทั้งดีทั้งชั่วส่วนมากมักจะมีแต่ชั่วมากกว่าทําลงไปแล้วผลไม่ลําเอียงแล้วทําไมจะไม่รับผลผลอันนั้นมีอักเบามากน้อยเพียงไรก็จะผักจะดัน ผู้ทำกรรมอันนั้นให้ไปสถานที่สูงสูงต่ำต่ำรุ่นร่อนแม่ที่สุดนรกก็ต้องตกได้เมื่อกรรมอนันนวยที่ควรจะตกแล้วเอาไว้ไม่อยู่อ่ะสวรรค์ก็ไปได้นรกก็ไปได้เป็นเปิดเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมานเป็นจับเป็นคนเป็นได้ทั้งนั้นไม่มีคําว่าเลือกก็คือเรื่องกรรมของจับนี่เองวิบากกรรมของจับ ที่มันสืบเรื่องมาจากอวิชชาเป็นตัวยืนโรงผูง้นิยยันให้เกิดถ้าลงมินี้มีอยู่ภายในจิตใจแล้วย่างไรก็ตามว่านั่นเลยแมรายเดียวพ้นไปไม่ได้ต้องเกิดบังคับให้เกิดคืออวิชชาเป็นเครื่องบังคับให้เกิดนี่เมื่อพระองค์ได้ทรงเรีงญาณเห็นชัดเจนถึงขนาดนั้นแล้ว และได้ตรัสรู้ด้วยแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษแห่งวัฏตะจักทั้งหลายซึ่งจมหมายเอาคาไทยคือใจของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะก็ครอบโลกธาตุนี่แล้วว่าเที่ยวเกิดเที่ยวตายจนหาที่จอดทีและหาประมาณไม่ได้ แล้วเทียบกึบวิญญาณดวงใดก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันไม่มีวิญญาณดวงใดจะมีสูงต่ำมากน้อยต่างกันนับไม่ได้ด้วยกันความตกทุกยากลําบากขนาดไหนก็ไม่รู้กี่ครั้งกี่คราวกี่กลับกี่กันนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าจะตายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดยฉานไม่ว่าจะตกนกรกอะไรขี้ขึ้นสวรรค์นั่นผมนับผลนับครั้งนับคราวไม่ได้ แล้วผลสุดท้ายที่จะสรุปมาถึงเรื่องความทุกข์นี้ก็เพราะอวิชชาพาให้เกิดแล้วได้รับความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพร้อมทั้งความอัศจรรย์ที่ได้หลุดหรือผ่านพ้นจากมหันตทุกข์ที่ออกมาจากความเกิดตายนั้นเต็มพระไถยคือทรงทราบเต็มพระไถย ด้วยคุณธรรมมันสูงสุดได้แก่การตรัสรู้เอาไปเทียบกันกับกองทุกข์ทั้งหลายที่พระองค์ก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีจมอยู่นั้นผ่านพระองค์ผ่านก้นเกิดมาแล้วทำไมจะไม่เข็ดไม่หลบับจะไม่น่ากลัวอย่างเหมือนกับว่าใจหายบางทีถ้าพูดภาษาของเราเข็ดหลับก็เข็ดหลับที่สุดกลัวก็กลัวที่สุด ขยะขแยงที่สุดไม่มีอะไรเกินเรื่องการเกิดการตายการหมุนไปเปลียนมาอยู่ในกล่องทุกไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหนทุกทั้งนั้นแล้วก็ไปผ่านพ้นขึ้นมาถึงความประเสริฐอัศจรรย์ได้หลุดพ้นแล้วจากแหล่งนั้นแหล่งนั้นนั้นในสามภพนี้ไม่มีพบใดที่พระองค์จะไปเกิดอยู่แล้วนี่คือความอัศจรรย์ของจิต ที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นเต็มพระไทยแล้วการสอนโลกจึงสอนด้วยความเมตตาด้วยความเมตตาสงสารอย่างถึงพระไทยเช่นเดียวกันเทพจัางสุดๆร้อนๆถ้าพูดตำหนิพูดถึงเรื่องความทุกข์ไม่ใช่ตำหนิก็ตามนะพูดตามหลักความจริงก็พูดให้ถึงเหตุถึงผลเพราะพระพุทธเจ้าเป็นเองเป็นเสีาเองรู้เสียเองเห็นเจ้เอง จากความเป็นเจ้าของ self และอันดับต่อไปกจากสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณจึงประมวลสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่แดนแห่งความเกิดนี้ทั้งหมดว่าความเกิดนี้เท่านั้นเป็นตัวเหตุสัดจะได้สร้างกรรมถ้าไม่เกิดก็ไม่สร้างน่ะมีอันนี้เท่านั้นเมื่อได้เห็นชัด น, นี่ก็บัตรนี้ก็ได้หลุดพ้นไปเสียแล้วจิต ส, สว่างกระจ่างแจ้งไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่เหมือนอะไรเลย พระไทยดวงที่บริสุทธิ์นัน้นความประเสริฐเลิศเลอทั้งหลายก็ได้ประจักษ์ในพระไทยโทษที่เคยผ่านมามากน้อยก็ประจักษ์ในพระไทยเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกจึงสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้ลวนด้วยเต็มพระไทยเหมือนกันเหมือนกับว่าจะฉุดจะลากเอาในปัจจุบันนั้นมาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้การเกิดการตายเป็น เหมือนกับฟืนกับไฟเราตถาคตหรือว่าใครก็ตามเคยเป็นมาจนนับไม่ถ้วนแล้วให้เจ็ดให้หลับให้มาตามตถาคตนี่ถือเหมือนอย่างนั้นเหมือนกับว่าจะฉุดจะลากจะจูงไปสดสดร้อนๆนั่นเพราะค่าเมตามีมากนี่แหละะพุทิเจ้าทรงสั่งสอนสัตวโลกสั่งสอนอย่างนี้นี่เป็นอันดับหนึ่ง เพราะสาวกทั้งหลายที่รู้ที่เห็นตามภูมิของตนก็อีกเช่นเดียวกันการแนะนําสั่งสอนจริงสั่งสอนถึงเหตุถึงผหถึงผลถึงความจัดความจริงที่เคยเป็นมาอย่างไรเพราะท่านก็เห็นเต็มภูมิของท่านนี่ไม่ว่าจะเป็นนรกอเวจีไม่ว่าจะเป็นบาปกรรมสวรรค์ชั้นพรมที่ไหนท่านก็เห็นประจกักเต็มภูมิของท่านที่เป็นสาวกเหมือนกัน เหตุใดท่านจะนำสิ่งเหล่านี้มาพูดได้อย่างเต็มปากเต็มหัวใจไม่ได้ท่านต้องพูดเต็มวิสัยของท่านที่เป็นสาวกนั่นแหละในการสั่งสอนโลกทั่ ว, วไปท่านจะสอนอย่างนั้นนี่นี่แหละพูดที่รู้พูดที่เห็นพูดที่ไปเจอมาแล้วจึงพูดได้อย่างจะแจ้งพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดได้ด้วยกําลังของใจเพราะได้รู้ได้เห็นจริงๆไม่มีสงสัยในสิ่งที่นามาพูดนั้น สิ่งพูดได้อย่างเต็มตามความจริงทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่มีความหวังต่อความจริงอยู่แล้วย่างเต็มหัวใจทำไมจะรับกันไม่ได้ทาไมจะเข้ากันไม่ได้กับความจริงที่ท่านแนะนำต่างสอนเช่นประเภทที่ว่าอุคติตันยูวิปจิตันยูประเภทนี้เป็นประเภทที่บกเยียนหาที่ออกอยู่แล้วย่าง เต็มกําลังความสามารถเป็นแต่เพียงว่าไม่มีประตูที่ไหนจะเปิดแย้มออกไปพอที่จะได้ออกไปได้เท่านั้นนี่พอพระพุทธเจ้าแสดงขึ้นผางเท่านั้นก็เหมือนกับว่าเปิดประตูให้ผึงออกเลยนะท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่สอบแสวงหาที่ออกอยู่แล้วอย่างเต็มหัวใจพอเหมาะพอดีกับพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นมาแล้วเปิดประตูคือทำทั้งหลายให้เท่านั้นท่านก็ออกอย่างรวดเร็ว นี่แหละที่ว่าอุคติตัญยูวิบากิจตัอยู่ผู้ที่รู้ทำได้อย่างรดวดเร็วคือท่านผู้ถึงขั้นความจริงเต็มหัวใจแล้วเป็นแต่เพียงว่ารอรับอย่างที่ว่าดอกบัวกําลังจะแย้มบานอยู่แล้วพอรับแสงกระอาทิตย์เท่านั้นก็บานทันทีนี่พรนะอาทิตย์ใสถานที่นี้ก็หมายถึงพระว่าดคำนำสอนจากท่านผู้รู้จริงๆพระพุทธเจ้าเป็นผู้ ประกาศสอนธรรมท่านเหล่านี้จึงรู้ได้อย่างรวดเร็วนะ่เป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีกันนี่ลการสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้ามีน้ำหนักถึงขนาดนั้นทำไมสัตว์โลกจะไม่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดสุดยอดแห่งธรรมเป็นจำนวนมากมายแล้วก็จิตบิญ ญ, ญาณในแดนโลกอาตุนี้จะมีอะไรเทียบอีกเหมือนกันว่ามีจานวนมาก อะไรมีมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณในแดนโลกธาตุนี่นะวิญญาณของสัตว์และบิญญาณแต่และดวงละดวงไม่เหมือนกันตามภูมินิสัยวาสนาบางภูมิบางนิสัยพอพร้อมแล้วเี่ยแล้วมาเกิดในจังหวะที่พอดีกับพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาด้วยพอเหมาะพอดีกับดอกบัวแย้มบา น, นตะวันโผ่มาหรือฝนตกลงมาให้ชุ่มเย็นก็แย้มบานทันทีเลยนะ นี่ก็เหมือนกันประเภทที่พร้อมแล้วพร้อมแล้วกับจังหวะที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็พอดีกันจึงได้บรรลุธรรมอย่างมากมายเนี่ยที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละครั้งละครั้งเนี่ยขนดวงวิ ญ, ญญาณที่เคยจมอยู่ในกองทุกมากมายกับกองเนี่ยให้บุดพ้นออกไปได้มากขนาดไหนฟังดิผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรจะผ่านไปได้เลยก็ผ่านไปได้เลย ผู้ที่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ค่อยตื้นขึ้นมาตื้นขึ้นมาเพราะการได้ยินได้ฟังเพราะการสร้างคุณงามความดีด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาตามพระวักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นการเพิ่มเติมบา ร, รมีขึ้นไปนี่ก็ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาแม้จะไม่ยังไม่หลุดพ้นในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็ ความดีมีอยู่แล้วภายในจิตใจพร้อมแล้วที่จะเป็นไปในการข้างหน้าน่ะเราต้องได้บรรลุโดยไม่ต้องสงสัยมีหลักการแสดงธรรมของพู้พุทธเจ้าทีงต่างกันอยู่มากเขาแสดงด้วยความรู้ความเห็นทุกแง่ทุกมุมใครความสามารถสลาดลูกของใครเกริญพระพุทธเจ้าล่ะ สังสืบพยายนของพระองค์อย่างซาบตลอดทั่วถึงไปหมดในสามแดนโลกธ า, านนี้มีอะไรปิด บ, บังรี้ลับที่พระองค์จะไม่ทรงรู้ทรงเห็นต้องทรงรู้ทรงเห็นทั้งนั้นนะการแนะนำสั่งสอนก็มีความกว้างขวางกว้างฝังเลือกตื่นยาบละเอียดให้พอเหมาะพอดีกับสัตวโลกที่ควรจะรับประโยชน์จากพระองค์เป็นลำดับลำดายจนกระทั่งวันปริยพาน ขนสัตว์จิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่ให้พ้นไปได้มากสักเท่าไหร่ล่ะฟังสิประมาณไม่ได้ผู้ที่ค่อยตื้นขึ้นมาตื้นขึ้นมาสูงขึ้นมาบารมีสูงขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์มาตรัสรูนั้นก็มีอีกมากมายมนี่เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยมาลองลำดับลงมาก็พระสาวก ช่วยพุทธภาระของพระพุทธเจ้าให้เบาลงไปด้วยการแนะนําสั่งสอนประชาชนทั้งหลายให้รู้จริ ง, งในธรรมทั้งหลายเลื่อยมานี่นี่นี่เวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงธรรมแป่พระสงฆ์นี้ส่วนมากมีแต่กิจตภาวนาแสดงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการภาวนาไม่ได้แสดงเรื่องการก่อนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ นั่นดิฟังดินี่แหละตำลับตำลาวมีใให้จะใจวางเลฟังเลท่านเห็นควาภายในกองทุกในความเกิดตายนี้มากที่สุดยิ่งบอกจะมาลูกๆคำค ำ, คำกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งใครๆก็ทําได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนแนะนําสั่งสอนลงในจุดสําคัญสําคั ญ, คญคเฉพาะนักบวชทรงแสดงอย่างนั้นสอนอย่างนั้นตามตําลับตาลาเราเห็นเช่นอย่าง เวลาบวชนี่เอาอะไรยื่นให้ก่อนฟังดูเอาสถานที่บําเพ็ญยื่นให้ก่อนเอางานที่เป็นเหมาะสมที่สุดกับผู้เป็นนักบวชผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นยื่นให้ก่อนนั่นยื่นให้อะไรเวลาบวชก็ก็บอกงานให้เลยว่าไม่มีงานใดที่จะใหญ่โตไม่มีงานใดที่สัตว์โลกจะติดพันไม่มีงานใดที่จะปิดบังหงวัวใจของสัตว์โลกได้แก่สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้คืออะไร ในปัจจุบันนี้อยู่ที่ไหนก็บอกอยู่ในสกุณการนี้เอาย่นย่ออกเป็นเอกเทศซะก่อนเพื่อให้ทันเวลากับการรัปฏิบัติแล้วก็สอนกรรมฐานห้าให้นะกรรมฐานห้าแปลว่าอะไระสถฐานที่ตั้งแห่งงานมีห้าอย่างหรือตระจปัญจกะกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าวิกีวิสารมานะขานตาตะโจน่ะ ท่านสอนเอานี้นะงานนี่ในสถานที่ทํางานนี้คือสถานที่เพี้ยนไหลก็บอกอีกลุกโมโรเจนัสหนังนี้เป็นอันดับหนึ่งถ้าจะพูดถึงว่าท้าคตเอามาเป็นเครื่องบินยันก็ท้าคตเคยอยู่สถานที่ทีนี้มาแล้วตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในร่มไม้ร่มโพ ร, ร่มเดียวปรากฏว่ามีที่บุงที่บางที่ไหนไม่มีอืมตรัสรู้ที่โคนต้นมหาโพธิ์อย่งเดียวนิ่งเท่านานนั่น ยิ่งต้องนําอันนี้มาเป็นสถานที่ชั้นเอกมอบให้พระทั้งหลายงานก็งานชิ้นอื่นเกลือสารุ ม, มาณขาลันตาตะจูเมื่อพิจารณาเข้าไปนี้แล้วงานในนี้เฉพาะแตกกระจายไปทั่วสารพานร่างกาและกระจายไปทั่วแดนโลกธาตุซึ่งเป็นเหมือนเหือนกันท่านรู้ว่าอันนี้จังท่วงหน้าตา ก, ก็เหมือนกันอสุภ า, าสุพังก็เหมือนกันตีกระจายไปได้หมดนี่นี่แหละผู้รู้จ่าท่านสอนผู้ปฏิบัติท่านสอนอย่างนี้ ในตำรับตำรามีมากต่อมากไม่ค่อยจะยุ่งกับเรื่องอะไรอะไๆเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องนี้เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นปฏิปทาของพระโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นนักบวชขอให้ยึดขอให้ถือหลักเกณฑ์ที่พระเจ้าทรงสอนชั้นเอกนิ้วฝังอย่างลึกภายในใ จ, ใจิตใจอย่าได้เห็นงานใดสิ่งใดเป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่านี้เรื่องความอยากที่มันเข้ามาขีดมาขวาง ม, มาตัดรอนอยู่ตลอดเวลานั้นมันมีอยู่ตลอด ถ้าเราไม่สู้ไม่รบมันยังไงก็ต้องแพ้มันมันญัติธรรมหาอัธหธรรมที่จะมาปรากฏในจิตใจไม่มีเลยนะมันอยากอะไรเนี่ยอยากเห็นก็ตาออกทางตาเนี่ยกับความอยากออกมาจากใจอืมนี่เรียกตันหาน่ะตันหาแปลว่าความหิวความโหยมันไม่มีวันพอไม่แต่ไม่ใช่จะจะพูดแต่วราคะตันหานะตันหากันเป็นกลางๆคือความ อยากความหิวความทะเยอทยานนี่จะอยากนิรอบตัวของเราถ้าไม่ไม่เอาจริงจริงสู้มันไม่ได้เพราะมีอยู่รอบตัวตาก็อยากเห็นตาจริงๆไม่อยากเห็นแต่หัวใจที่เป็นอยู่ภายในที่อยากเห็นอยากเห็นเอาอะไรเป็นเครื่องมือก็เอาตาเป็นเครื่องมือให้ออกมาทางตาอยากได้ยินได้ฟังก็ออกมาทางหูนี่คือเครื่องมือของใจดวงนั้นที่มี กิเลสตันหาเต็มอยู่ภายในอัดอย่างแน่นอยู่ภายในหาทางทะลักออกออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายน่งโดยลําพังก็ออกทางใจตั้งตนเต็นธรรมอารมณ์โดยอาศัยสิ่งสัมผัสทั้งหลายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้นเข้าไปเป็นอารมณ์พูดคิดอยู่นั้นอุ่นกันอยู่นั่นแหละอ่าไม่ว่าเป็นของเศษของเด่นอะไรล่ะอุ่นกันอยู่อย่างนั้นน่ะนี่แหละความอยากอันนี้ให้ระมัดระวังให้มาก ถ้าไม่เห็นความอยากเหล่านี้เป็นภัยแล้วยังไงก็จะไม่เห็นอกเห็นทำาพากันหนักแน่นในการปฏิบัติอุบายวิธีการฝึกภาวนาของตนอันใดที่มันเป็นไปเพื่อความรู้ความเห็นความสงบร่วมเย็นและความเฉลียวฉลาดอุบายใดหรือวิธีการใดให้ยึดนั้นมากกว่าวิธีการอื่นเช่นเดินจงกรมมากๆเป็นยังไงได้อุบายอย่างรบ้าง ไม่ใช่ว่าเดินนานๆแล้วก็ว่าตัวได้เดินไม่แค่อย่างนั้นเดินนั่นก็เป็นการก้าวเดินเพื่อความเพียรอันหนึ่งสติกับกจิตทำงานอยู่ภายในตัวนั้นนั่นเป็นความเพียรอันสำคัญเราเดินนานๆเป็นอย่างไรบ้างผลเป็นปรากฏอย่างไรบ้างจิตสงบไหมเย็นไหมจิตฉลาดไหมนั่งมากเป็นยังไงเดินมากเป็นยังไง ดูยืนเป็นยังไงนะจากนั้นก็ยังมีเรื่องอดนอนผ่อนอาหารอีกเนี่ยวนผ่อนอาหารนี่ดูจะถูกมากกว่าอย่างอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วเฉพาะผมเองเนี่ยผมแน่ใจว่าจะถูกในการผ่อนอาหารอย่างน้อยผ่อนอาหารมากกว่านั้นอดทานแต่เป็นการทุก์การทรมานมากอยู่ไม่น้อยนะเพราะเคยผ่านมาแล้ว คิดย้อนหลังท่าว่าจะเสร็จก็น่าจะเสร็จเพราะทุกจริงๆแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นมีจึงจึงมันจึงไม่เสร็จมันจึงไม่กลัวไม่สะทุกสะท้านกับสิ่งที่เจ้าของเคยผ่านมาด้วยความทุกข์ความทรมานอย่างแสนสาหัสนั้นเลยยิ่งกว่าทำรรที่เราได้รู้ได้เห็นจากวิธีการนั้นนี่นี่หละให้คิดเจ้าของทำเฉยๆทาคนเปลี่ยนยังเฉ ย, เฉยไม่คิดไนมะ่อ่านไม่ใ่ไม่ตรองไม่ได้นะ ต้องใช้ความคิดอ่านแต่ตองหลายสันหลายคมพิจแพงเปลี่ยนแปล ง, ปล ง, ปลงให้เห็นว่าก็ตามที่สอนแล้วว่าจิตเลืฉลาดขนาดไหนสติปัญญาไม่ใช้เพื่อความฉลาดาจะทันจิตเยืได้อย่างไงต้องเอาให้ทันกันมาอย่างนั้นไม่ทันจริงวันนี้ก็ผ่านไปวันหน้าผ่านไปวันไหนผ่านไปชีวิตสั้งขานร่างกายก็ผ่านไปผลประโยชน์ไม่ไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏนี่มันขาดทุนเป็นลําดับธรรมดาไป เดียเปียบให้กิเลทุกวันทุกเวลาที่เราว่าเราเป็นกรรมฐานประกอบความภากเปลีน่นนี้ไม่น่าฟังเลยถ้าคนอื่นได้ฟังก็ดีสำหรับเราเองนั้นน่าจะหายไม่ใช่ธรรมดานะเพราะเรื่องที่จะเกิดตายอยู่ในวัฏจักรอันนี้มันสักเท่าไหร่ไม่มีกำหนดแล้วฟังสิเป็นมาขนาดไหนเราผ่านมาจนมาตั้งถึงตานนี้แล้ว มันเป็นขนาดไหนเรายังนับไม่ได้แล้วยังจะเป็นปีกข้างหน้านั้นอีกเท่าไหร่นั้นหนักมากยิ่งกว่าชีวิตที่เป็นอยู่นี้ยังจะมีมีไปอีกไม่ทราบว่ากี่ล้านนั้นกลับร้านกันนะ่ะถ้าแก้ไม่ได้เพระาะฉะนั้นแก้เสียบัตรนี้แก้เสียเวลานี้เอาทุกประทุกเต่อทุกเพื่อความเพียรทุกเพื่อแก้กิเลสกิเลสไม่คาพาใครให้เป็นสุขการต่อสู้กิเลสต้องเป็นทุกนอกจากกิเลสมันหมดไปจากหัวใจแล้วมันมีอะไรต่อสู้แล้วไม่ทุกนี่เราต้องคิดอย่างนั้นสิ เวลานี้ที่เราทุกข์ด้วยความภาคความเพียรก็เพราะต่อสู้กับกิเลสกิเยสมีมากทุกข์มากกิเลสมีน้อยทุกข์น้อยจนกระทั่งกิเลสไม่มีเลยไม่มีทุกข์เพราะไม่มีการต่อสู้กันอ๋อมันเห็นทั้งสามอย่างนี้สิถ้าลงได้ถึงขั้นกิเลสสิ้นซากโดยเผาสพกิเลสด้วยกุศล ธ, ธรรมมาแล้วไม่มีอะไรมากีดกันหัวใจเนื้อเลยยังได้รู้ว่าหัวใจนี้เวิร์วางลายเต็มอิสระทั้งตน ไม่ว่าอยู่ว่าไปคำว่าอียบทก็ไม่มีการจะถานที่ก็ไม่มี ใ, ในจิตดวงนี้ด้วยเช่นเดียวกับเราที่เคยเกิดเคยตายมา ก, กี่กับงี่กันอันนี้ยิ่งจะไปกว่า น, นั้นอีกเพราะอันนี้แน่แล้วเนี่ยส่วนการเกิดตายนั้นยังไม่แน่พอที่จะผ่านก็ผ่านไปได้กฎ อ, อันนี้จังยังมีตามอยู่ยังพอเป็นไปได้ถ้ามีเครื่องช่วยนะ ถ้ามีเครื่องช่วยมันก็หมุนทั้งมันอยู่อย่างนั้นแต่ ส, สําหรับจิตที่หลุดพ้นไปแล้วนั้นไม่มีอะไรช่วยแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านตั้งมั่นที่ว่าอานันตาการทีร่ว่านิพพานเที่ยงนั่นเนี่ยฟังเอาเที่ยงตลอดเวลางา น, นหาหาทุกที่ไหนทุกเพียงเท่านี้เพื่อจะแลกออกความสุขตลอดนั้นตการทําไมเราจะไม่ยอมเสียสลับเราเป็นนักบวชเราเป็นนักปฏิบัติ ทุกเราก็เคยทุกมาพอแล้วทําไมจะต้องไปเกิดประหลาดในการประกอบความเพียรที่เกิดทุกข์มันต้องสู้กันอย่างนั้นชิดที่สติปัญญามีญาติอยู่เฉยๆวันหนึ่งวันหนึ่งให้ดูอุบายวิธีการฝึกท ร, รมานตนเองเป็นอย่างไงบ้างญาติอยู่เฉยๆญาติสักแต่ว่าความเพียรคาว่ามีสติก็มีเฉยๆเวลาควรจะมีปัญญาก็ให้มีทบทวนกันมันถึงจะถูกไม่เช่นนั้นไม่ได้นะ การประกอบความภาคเปลี่ยนเอาให้หนักต้องหนักบ้างอะไรเราอย่าไปถืออารมณ์ในความว่าหนักในความว่าทุกข์ถ้าว่าทุกข์ให้ถือว่าเป็นสัจธรรมที่จะต้องรู้จริงเห็นจริงกันนะ่ะทุกข์ขนาดไหนก็ให้รู้เราก็ทราบแล้วว่าจิตนี้ไม่ตายจิตนี้ยันได้เลยว่าไม่เคยตายมาแต่การไหนๆนี่ละที่พาให้หมุนก็เพราะความไม่ตายของจิตเนี่ยหมันถึงได้หมุนถ้ามันตายจะหรือจิตหายไปเสียกรรมชาติจะอะไรมาหมุน อย่พระพุทธเจ้าท่านนั่นนั่นไม่ได้หมายถึงตายชีพหายนั่นหมายถึงนะเชื่อแห่งความให้พาหมุนไม่มีแล้วท่านกระตนบรมมาสุขนั่นพูดคล้องบรมมาสุขยังไม่ก็คือจิตดวงมือมสุขนั่นเองจะเป็นอะไรไปมีเรื่องความทุกข์ความลําบากของเรามันเป็นมามากน้อยเพียงไรมันน่าจะเอามาทบมาทวนกันกับความทุกข์เพียงเท่านี้จะเป็นอะไรไปเอาตามันไม่ถึงตายแล้เรื่องเพียงการ ประกอบความภาคเพียรทุกแค่ไหนให้เห็นความจริงแค่นั้นจริงอย่างว่านักประกอบความภาคเพียรว่าประกอบความภาคเพียรในองค์อริยสัตว์เป็นยังไงองค์อริยสัตว์ใหมันเห็นองค์อริยสัต์ประจักษ์ใจสิเมื่อเห็นองค์อริยสัตว์ประจักษ์ใจแล้วว่าเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองน่ะไอเรื่องการต่อสู้เรื่องการความภาคความเพียรมันจะทุกขนาดไหนที่นี่ไม่มีถอยเพราะอะไรเพราะหลักเกินที่เราได้เรายึดเป็นของอัศจรรย์ ยิ่งกว่าความทุกข์เหล่านี้มันมีเลยแล้วได้แล้วเห็นแล้วประจักษ์แล้วเป็นพยานแล้วนั่นแล้เห็นตรงนั้นที่มันทุกข์ขนาดไหนดูเรื่องของทุกข์ทั้งที่เคยสอนแล้วนั่นน่ะมันจะทุกข์ขนาดไหนจิตไม่เคยตายเอาตามให้มันเห็นเรื่องความทุกข์ทุกมาจากไหนคนตายแล้วมีทุกข์ไหมนัะ่ะไล่กันเข้าที่ชื่อว่าปัญญาไล่ตลบทบทวนอยู่นั้นไม่ดูกี่ครั้งกี่หนเราอย่าไปนับเริ่มเวลาอย่าไปนับการตลบทบทวนครั้งนั้นครั้งนี้หลายครั้งไม่ต้องนับ สติปัญญาให้จาะลงไปตามความทุกข์มันมีมากน้อยให้เห็นความเคลื่อนไหวของมันมันจะทุกข์มากทุกข์น้อยเพียงไรอะไรเป็นผู้ทุกข์ส่วนมากมันจะต้องว่าอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้เป็นทุกข์เื่นแข้งเป็นทุกข์ขาเป็นทุกข์มือเข่าเป็นทุกข์เป็นต้นนะมันก็จะมาเหมาอันนี้เป็นทุกข์ความจริงอันนี้ไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าพิจารณาให้เป็นสัจธรรมแล้วค้นลงไปจริงๆว่าหนังก็สักจะว่าหนังมีตั้งแต่วันเกิดทุกข์อันนี้เพิ่งมีนี่แน่มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไง เนื้อหนังเองก็ดุมันมีมาตั้งแต่มันเกิดอันนี้เพิ่งมีเดี๋ยวนี้เกิดมาเดี๋ยวนี้มันเป็นเดียวกันได้อย่างไงถ้าเป็นเดียวกันแล้วอันนี้ทุกนี้ดับสิ่งหล่านั้นต้องดับไปด้วยแตกทลายไปด้วยกันชิบหายไปด้วยกันดิกับทุกขที่มันดับลงไปแต่นี่เวลาทุกนี้หายไปดับไปมันก็มีอยู่อย่างนี้มันเป็นันเดียวกันได้อย่างไรนั่นที่เรียกว่าค้นหาความจริงเราอย่าคาดนะจอดลงในความทุกข์เอาไม่จะทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนเอาไม่ต้องกลัวว่าตาย จิตไม่ได้ตายว่างนันเลยเดี๋ยวนี้แหละจิตที่จะหาความจริงให้รอบตัวเองนั่นความหมายว่าอย่างนั้นจิตไม่ได้ตายจิตหาความจริงเพื่อจะรอบตัวเองด้วยรู้สัจธรรมให้รอบใจมาจนกระทั่งพิจารณารอบแล้วดังที่เคยพูดแล้วทุกเมื่อพิจารณารอบแล้วจะไม่เป็นภัยต่อผูดด้ใดเลยนั่นจึงเรียกว่าสัจธรรมเดียน อ, อ, อริยสัจรา อ, อบรู้อริยสัจ ร, รู้อย่างนั้น ทุกแต่ก่อนมันเป็นภัยแต่ก่อนเหมือนจะเป็นจะตายจริงๆนี่อะไรจะไปไปทุกข์มากยิ่งกว่าทุกขที่เกิดขึ้นในขนาดนั้นแต่เวลาพิจารณารอบกันแล้วทุกสักแต่ว่าเทรานั้นนะแล้วดูทุกนั้นก็ไม่มีความหมายในตัวเองด้วยแล้วทุกนี้ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดแต่กระทบกระทันผู้ใดมันก็ไม่รู้ความหมายของมันด้วยเนี่ยอวัยวะต่างๆที่ว่าเป็นทุกขเป็นทุกแต่ก่อนนั้น ดูแล้วหนังก็เป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นเป็นเอ็นกระดูกเป็นกระดูกเอาไว้ยว่าทุกส่วนเป็นของตัวเองอยู่โดยลําพังไม่เห็นมีอะไรเป็นอะไรนั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทุกนี่ไปทาร้ายแก่ผู้ใดทุกก็มาไปทาร้าแก่ผู้ใดนี่แหละเป็นความจัดความจริงแล้วความหมายว่าอันนั้นเป็นทุกนี้เปทุกมาจากไหนนี่มันก็วิ่งเข้าถึงใจกายเนื้อเวทนาคือทุกเวทนาหนึ่งใจหนึ่งสัญญาความหมายย้อนก็หาใจย้อนเข้าดูใจอีกทีหนึ่ง ทีนี้เมื่อย้อนเข้าไปจนประจักษ์แล้วใจก็คือใจอสัญญามันก็ดับไปแล้วกําหนดดูสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เรื่องสัญญามันจะย่นเข้ามาย่นเข้ามาความหมายนั้นย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงใจความทุกข์ที่ว่าที่ว่าอันนั้นเป็นทุกข์นั่นกเหมือนกันความทุกข์ทั้งหลายนั้นย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งมาถึงใจมาดับที่ใจน่ะ ใจไม่หมายที่นี่เมื่อใจไม่หมายแล้วทุกครั้งอริยสัจจังตเต็มหัวใจอ๋อเป็นอย่างนี้คําว่ารู้ทุกรู้อย่างนี้คําว่าทุกเป็นสัจธรรมเป็นอย่างนี้นั่นสิมันถึงจะชาัดท่านเห็นชัดอย่างนั้นสินี่แหละท่านว่าทุกครังอริยสัจจังท่านเป็นอย่างนี้สมุทัยก็คือตัวความหมายนั่นเมื่อรอบมันแล้วมันก็หดตัวเข้ามามันไม่ไปหมายสัญญานั่นแหละหมายว่านั่นเป็นทุกนี้เป็นทุกเมื่อพิจารณารอบแล้วมันก็ไม่หมาย นี่เป็นพื้นฐานแห่งการพิจารณาวงอริยสัจ ต, ต่อไปเมื่อจิตมีความเป็นน้ทํนานาญแล้วอันนั้นไม่ต้องพูดแล้วนั่นทุกเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นสติปัญญามันจะทันตามต้นสมูทยัยคือความคิดคของผูงต้ตเองจนทันทันทัน응จนกระทั่งละหน้ า, นาขาดสะ บ, บั้นตรงนี้เลหลือภายในจิตใจเลยนั่นสมูทัยขาดทำไมทุกจะไม่ดับขาดเพราะอะไรสมูทยัยขาดเพราะสติปัญญามีความกล้าสามารถนั่นเอง นิโรธคือความดับทุกข์มันก็ดับนะจีเพราะสมุทัยดับทุกข์มันก็ดับนั่นกิริยาแห่งทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธนะหลักใหญ่ก็คืออยู่กับเนี่ยมรรคเนี่ยเป็นสำคัญดังนั้นการพิจารณาโดยไปทำอยู่นี้เฉยวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปเราจะเห็นอะไรมันสำคัญในโลกอันนี้ ไม่มีอะไรสําคัญอั น, นั้นเป็นความเสื่อมสั่นยอของกิเลสแท้ๆแล้วมันช่อะไรล่ะอืามันมาหลอกเราอยู่ตลอดเวลาอันนั้นดีอันนี้ดีมันอยากเขาเพราะอยากด้วยความสำคัญว่าอันนั้นดีนี่ดีจึงอยากรู้อยากเห็นอยากดูอยากฟังอยากสัมผัสสัมพันธสนี่มันดิ้นอยู่ในหัวใจนี่ดิ้นอยู่ตรงนี้เองรรความจร่งบังคับความอยากให้ได้ดูหัวใจเจ้าของมันอยากอะไรถ้ามันเห็นจนกระทั่งมันดิน้นมันดีดออกมาสิ แล้วจากนั้นแล้วมันก็สงบตัวลงไปนี่สมาธิ ต, ตีหัวมันลงไปปัญญาหน่ะช่วยพิจารณาสงบตัวลงไปจากนั้นคลี่คลายดูอ่ามันติดอะไรมันพัวพันอะไรในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสทั้งนั้นมันซึงมันซาบไปหมดทั่วสารพานางกานอกจากนั้นยังระบาดสากระจาไปทั่วโลกดินแดนมันอยากเหย่ยวมันเกี่ยวโยงไปหมดนั่นแะ รักได้ชั่งได้ทั้งกายทั้งไกาเกลียดได้โกรธได้ทั้งกายทั้งไกาเป็นเรื่องของกิเลสตีทับกระจายออกไปทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราไม่ทันมันเป็นไปได้อย่างนั้นเมื่อทันแล้วมันไม่ไปพอมันแยบบางนี้มันรู้แล้วความเคลื่อนไหวของกิเลสออกจากสังขารที่ปุ๋งแยบเนี่ยมันรู้แล้วทันแล้วตามมัเข้าไปหลายครั้งแล้วผลก็ฆ่าได้เท่านั้นสิเนี่ยการพิจารณาต้องพิจารณายัางไงเอาให้จริงให้จัิงนะ ให้ถือเป็นสดสดร้อนร้อนกิเลสมันสดสดร้อนร้อนเหมือนกับไฟนี่แหละยี tense, e ่เข้ามาเมื่อไรร้อนเมื่อนั้นมันสดสดร้อนร้อนไหมไฟกิเลสเหมือนกันมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไรสดสดร้อนร้อนมันเผาเราได้เผาเราได้มากก็เอาให้ทันกันต่อสู้อย่าอ่อนข้อต่อมันอย่าไปนับว่าวันนั้นก็ลำบากวันนี้ก็ลำบากอย่าไปยึดนะกิเลสหลอกอีกน่ะเมื่อวานนี้ลำบากวันนี้ไม่อยากทําไปแล้วนั่นเห็นไหน ที่เลนมันไปหลอกแล้วไม่ไปนอ้องต้องมานับเวลาเบล่าเวลากิเลนมันอยู่กับหัวใจเนี่ยมันเอาเวลามาหลอกเราตีเราให้ทํายุบยอ่อให้ทำํำก้าวขาไม่ออกแลรินก้าวไม่ออกนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วท้อใจนานมันเป็นยังไงมืม่อวานมันทุกข์กเพราะอะไรมื่อวานเราก็ได้พิจารณาเป็นเรื่องสัญธรรมแล้วมันมาทุกข์อะไรถ้าเป็นสัญธรรมแล้วไม่มีอะไรเป็นทุกข์มีแต่ความจรงิงล้วนเท่านั้นนั่นฟาดลงไปตรงนั้นอีกอีเรียกว่า การพิจารณาธรรมทั้งหลายถ้ามันเห็นนี่คำว่าาจอัศาจรรย์นั้นถ้ามันไม่เป็นมันฆ่าเฉยๆไม่ได้เรื่องนากี่คาดก็เป็นกิเลสมากคาดเสียมันก็ไม่เห็นเป็นของแปลกประหลาดอะไรเสียน่ะั่นน่ะกิเลสเพราะมันกิเลสไม่เป็นของแปลกประหลาดไม่เป็นองค์ัศาจรรย์เห็นอะไรมันก็เอาเอาขี้ต้มขี้โคลนไปกบไว้หมด ในกาบันขี่ตมขี่โคนมะขอนี่พ่านกว่ากาบันขี้ตมขี่โคนไม่ใช่ของดีพงดีไปแล้วพราะกิเลสมันไปพ่อไว้หมดแล้วเปิดออกเปิดดอกที่นี่เปิดออกเปิดดอกเมื่อที่ตมขี่โคนนี้มันกระจายประกระจายไปมันก็เห็นทองตั้งแท่งแล้วสิของประเสริฐอะไรในแดนสามสามแดนโลกฐานนี้อะไรจะเหมือนกิจที่บริสุทธิ์นี่ไม่มีเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนอะไรท่านเรียกว่าโลคุตุลธรรมธรรมที่สุดยอดจริงๆก็คือโลคุต กุทรจิที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนี่แหละพูดไม่ถูกต้าว่าเราจะนํามาพูดได้ก็จะแปลว่าเมื้องวางว่ากั้นเลยอถ้าหากว่าเป็นปลาก็ปล า, า, า, าในทะเลหลวงแบกว่ายหัวหางกลางตัวสะดวกสบายไม่มีอะไรจีอะไรขวางน้ําก็ลึกกว้างก็กว้างแบากว่ายหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบายมีพอเป็นเครื่องเทียบกันยิตนี่เหมือนกันเมื่อเวลา สิ่งผักดันนรือเวลาแหลมหลาอะไรที่มันทิ่มแทงในหัวใจเสียบอยู่ในหัวใจแล้วนี่ถอนออกหมดแล้วเนี่ที่ไม่มีอะไรเวิร์มวางะนานเป็นอย่างนั้นเอาตาดูได้สบายนานทั้งแม้แต่ในขันนี่เหมือนกันมันทั้งทั้งติงต่ก่อนดูไม่ได้มันจะเป็นไฟเผาขึ้ น, ข, นขึ้นมาทันทีฟังไม่ได้เป็นไฟขึ้นมา จมูกที่เป็นกายกสุขจิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเชื้อไฟแต่นั้นเผาได้ทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้ น, นเวลาไฟอยู่ภายในมันแรงกล้าอะไรผ่านมาไม่ได้มันไหม้หมดไหม้หมดเป็นฟืนไฟเป็นต่างกันหมดแต่พอดีไฟดับแล้วในเตานั้นอา้าโยนฟืนเข้าไปเชื้อไฟโยงเข้าไปไม่ว่าจะอะไรเอาน้ํามันที่เขาเรียกอย่างน้ํามันทุกวันเนี่ยน้ํามันรถเอาสาดลงไปมันก็เป็นน้ํามันเนี่ยมันไม่ได้เป็นไฟ เพราไฟมันหมดแล้วในเตานั้นเชื้อไฟสรายก็มาเท่าไรโยนก็มาเท่าไรถ้าเป็นฟืนก็เป็นฟืนอย่างนั้นถ้าเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงก็เป็นน้ํามันอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เป็นไฟนั่นแหละที่ว่าไฟในเตาดับแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ไฟกิเลสต่างหาอาสวะในเตาคือหัวใจนี่หมดแล้วเป็นอย่างนั้นเครื่องใช้ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นคิดเป็นภัยอะไรมันเป็นเครื่องใช้ถฉยเป็นทางเดินของกิเลสตัางหาอกตาหูจมูกลิ้นกายดูได้เต็มตาถ้าอยากจะดู แต่ท่านจะไปหาดูอะไรความพอหมาะพอดีมีอยู่นั่นทำมีแต่ความพอดีไม่ใช่ความรวดผลลดผลไเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่เราพูดเฉยว่าจะดูจนตาแหกมันก็ได้ตาแห้งมันก็ได้ไม่จะให้เกิดกิเลสมันไม่เกิดนะหูฟังจนกระทั่งยห น, นังมันทะลอกหูขาดหูกรุดไปหมดมันก็ดูได้ฟังได้แต่มันไม่เกิดกิเลสนั่นพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้ า, ง า, านพัฒนได้แต่มันไม่เกิดกิเลสเช่นเดียวกับ โยนเชื่อเพลิงเข้าไปหาเตาไฟนั่นโยนเข้าไปเท่านั้นก็โยนเข้าไปนี่เมื่อไฟในเตาไม่มีแล้วจะอะไรมาเป็นเปลวอะไรมาเป็นไฟนี่เมื่อมันหมดภายในแล้วมันะอะไรก็ตามตา ม, ตามหูจมูกร่างกายมันจะสัมผัสต่ำกับรูปแียงกินรถเครื่องสัมผัสทั่วแดนโลกธาตุมันก็เป็นอ น, นั้นอยู่เช่นเดียวกับกองฟืนนั่นแหละกองใหญ่โตครับนี่ไหนไหนที่